คนเลวที่มีบุญหนุนหลังกับคนดีที่มีบาปต้องชดใช้คนมีบุญกับคนดีน่าจะเป็นคนเดียวกันแต่ข้อเท็จจริงก็คือคนเราอาจทำบุญด้วยความเชื่อผิดๆอาจทำบุญด้วยความอยากได้หน้าตาอาจทำบุญด้วยความคิดเอาชนะกัน อาจทบุญด้วยความคิดลงทุนเอากำไรอาจทำบุญด้วยเหตุผลสารพัดยกเว้นเหตุผลที่ถูกต้องแบบพุตธอันได้แก่ทำบุญเพื่อสละความตรณีเมื่อไม่ทำบุญเพื่อสละความตรณีโอกาสทำบุญแล้วเข้ารกเข้าพงก็สูงเกิดใหม่มีสิทธิ์เป็นคนเลวที่มีบุญเก่าเยอะได้มาก คนบาปกับคนเลวน่าจะเป็นคนเดียวกันแต่ข้อเท็จจริงก็คือคนเราอาจพลาดทาบาปด้วยความเชื่อผิดๆอาจทาบาปเพราะไปเกิดในท้องโจรอาจทาบาปเพราะถูกกดดันให้ตอบแทนบุญคุณอาจทาบาปเพราะเข้าข้างคนผิดโดยไม่รู้ตัวอาจทำบาปด้วยเหตุผลสารพัดยกเว้นเหตุผลคือเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เพื่อตัวเอง เมื่อไม่ได้ทำบาปด้วยความมืดในกมลสสันดานย่อมไม่หมดจิตสำนึกแบบมนุษย์ยังมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้อยู่บุญเก่าอาจช่วยให้คนใจร้ายเกิดใหม่แบบอยู่ดีมีสุขแต่เมื่อจะร้ายก็ร้ายได้แรงเกินธรรมดาร้ายได้แบบมีอุปกรณ์ครบมันน่าอิจฉาหรือหน้าเสียวไส้แทนกันแน่ กับผลข้างหน้าที่ยังมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้บาปเก่าอาจกดชะตาของคนใจดีไว้ไม่ให้หลุดจากลมทุกเสถีแต่เมื่อจะดีก็อาจมีแรงดันให้ยากดีเกินใครอดทนทำดีเพื่อประกาศฟ้าว่าข้าไม่แพ้ดีทุกอย่างดีทั้งชีวิตกำลังแย่ไปหมดนั่นแหละมันน่าสงสารหรือน่าเชื่อชูกันแน่ ลองพยายามเลิกใจร้ายด้วยลองพยายามเป็นคนใจดีด้วยลองพยายามชอบทำบุญด้วยจนกว่าจะเข้าใจว่ามันยากเย็นขนาดไหนถ้าให้ครบสูตรแล้วต่อไปเมื่อเห็นอะไรที่คานความรู้สึกคานสามัญสำนึกเกี่ยวกับบุญธรรมกรรมแต่งเช่นคนสวยหลอ่อชาติก่อนน่าจะศีลดีแต่ทำไมชาตินี้ไม่มีศีนสักข้อ คนมีบารมียิ่งใหญ่ชาติก่อนน่าจะช่วยเหลือคนไว้มากแต่ทำไมชาตินี้เอารัดเอาเปรียบคนในปกครองกันจังคำตอบง่ายๆคือถ้ารู้คงไม่ทำที่ทำเพราะไม่รู้